ขอความเจริญในธรรมจงึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องศีลบารมีสุดต่อไปก็กล่าวโดยสรุปแล้วเราจะเห็นว่าในโครงสร้างสารัะของศีลนั้นเป็นการขับเคลื่อนจิตใจเข้าสู่ธรรมะโดยลำดับ นันพอถึงธรรมะแล้วเนี่ยมันเกิดระบบอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่ามีวินัยในตัวเองหรือ ม, ม, มีมีวินัยที่ศึกษาสำเร็จดีแล้วมันควบคุมตัวเองได้ตัวควบคุมตัวเองได้มันก็ไม่ต้องนับข้อนะฮะคือข้อเนี่ยไม่ต้องนับมีภิกษุรูปหนึ่งท่านเริ่มพัฒนาตัวเองมาตามลําดับเริ่มจากรักษาศีลห้ารักษาศีลบทสดรักษาศีลแปด รักษาสินสิทธิ์สินสิทธิี่จริงเป็นสิทธิของสามัญเนนแล้วท่านก็รักษาด้วยก็เห็นว่าท่านยังสามารถก็เลยบวชบวชแล้วก็เจอศีลเยอะแล้วก็เจอการฝึกปลืออบรมในเยอะประยุคสมัยตรงนั้นเป็นยุคที่มันไม่มีเอกสารหลักฐานไม่มีหนังสือสําหรับตําราไม่มีคัดเ็จไม่มีอะไรอะไรนะเพราะมันต้องเรียนกันด้วยก็ เ, เรียกว่ามุขปาฐะ เกิดจาย์ก็พูดกันด้วยปากลูกศิษย์ก็ฟังเราโดยหูก็ซักถามก็าโดยปากเป็นหลักพตอนสมัยโบราณเนี่ยท่นยีเรียกว่าสุตเะเปรย์พบังมันก็นึกดูว่าทำนองแค่ๆกับน้ำตาลนี่ยตอนตอน้ตนๆเราคงจะได้ความหวานมาจากต้นตาลเราก็เรียกว่าน้ำตาลหรือส่วนหนึ่งเราก็เรียกว่าน้ำอ้อยนะฮะน้ำตาลกับน้ำอ้อย ในใส่ในยคน้นน้ามันน้ําพึ่งน้ำอ้อยก็สมัยพระพุทธเจ้านี่ก็ถึงใช้ต้นอ้อยแล้วเราก็ไม่คบพบต้นตาลเท่าไหร่ก็สรุปมาจะกสองถังเราก็เรียกอยู่สองชื่อในปัจจุบันเนี่ความหวานมันก็มาจากเยอะจากแหล่งต่างๆจาพวกประกาศผลอะไรจะไร้เราก็ยังเรียกอ ย, อย่างเรียกน้ําตาลอย่างเ่นองแต่จะต้องเข้าใจนะว่าโลกมันเป็นโลกมันสัมผัส ต้องเข้าใจว่ารับรู้ทางอื่นด้วยประสาทสัมผัสอื่นด้วยแต่ว่าเรานิยมรักษาคำเดิมไวแต่การสืบสาสสิ่งดีงามต่างๆที่ยุคแรกโดยจะพระพระเจ้าทรงแสดงไวและการํำรวมระวังมางมสมมติศ่งข้อที่สองเห็นไหมพอเดินมาถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นสมาชี สมาชีพมันเข้าไปองค์มรรคที่เป็นศีลซึ่งเปรเียีมิตรเพราะสมาชีพเนี่ยมันค่อนข้างแยกยากแล้วพระพุทธเจ้าเองจะส่งแสดงโดยข้อความอธิบายที่สั้นที่สุดในเรียมรักเนี่ยจะอธิบายสมาชีพในสั้นที่สุดว่าอริยสาวกในโลกนี้ละการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดมาดํารงชีวิตในทางที่ชอบแค่นั้นเอง ก็ถ้าพูดถึงหน้าใหญ่หน้อยนะี่ยก็บรรทัดเดียวหนังสือหน้าใหญ่หน้อยบรรทัดเดียวแต่หน้าขนาดแปดหน้ายกก็ไม่ถึงสองบรรทัดดีแล้วก็ความสัส้นเพราะว่ามันมีนัยยะโดยอาชีพของคนเนี่ยแตกต่างกันแต่สรุปประมื้เป็นศีลเนี่ยมันก็คิดง่ายๆว่าต้องไม่ทําตนเองให้เดือดร้อนต้องไม่ทําบุคคลอื่นให้เดือดร้อนการเดือดร้อนบางอย่าง เ, เป็นการเดือดร้อนขององค์กร องรัฐยังเวลานี้มันมีข่าวคราวเกี่ยวกับการชดชนเกี่ยวกับกรรับชัน้นโกงกินอะไรต่างๆแ้วแเราก็ไม่เคยตั้งข้อสังเกตนะว่าข้าราชการเงินเดือนขนาดนี้มีตำแหน่งอย่างนี้แล้วก็เพิ่งเป็นเอ๊ะมันรวยได้ยังไงตระ ก, กูลร่ารวยมารือวพันยาค่ า, ญญ า, ข, าขาย แนวประกอบธุรกิจทรืว่ามีหุ้นส่วนถ้ามีหุ้นส่วนเอาเงินมาจากไหนไปนลงเปหุ้นทวนัวร์อะไรแต่ไหนนะถ้าศึกษาตรวจสอบกันอย่างนี้แล้วค่อนข้างจะยุ่งเหมือนกันเพราะในศีลข้ออธินาทานเองก็แก้ยากแหละแต่ว่าจะพัฒนาขึ้นไปถึงสมาชีพซึ่งมันมีความระเบิดระมเนี่ยมันดิ่งยากแต่ว่าต้องเป็นป้าที่จะลงไปให้ได้ ดังนั้นในชีวิตของพระโพธิสัตว์เรลองสังเกตว่าศีลของท่านมันเดินเป็นธรรมะแล้วอย่างน้อยก็เป็นเบญญธรรมไปหมดแล้วนะเป็นชีวิตที่เข้าถึงอุดมการณ์ระดับหนึ่งอุดมการณ์ระดับศีลเพราะเราก็ไม่เคยเจอข่าวพระโพธิสัตว์ลักขโมยนะ้ไม่ใช่ไม่เคยเจอข่าวคือไม่เคยเจอเอกสารที่ว่าคนระดับพระโพธิสัตว์เป็นรักขโมย หรือว่าค น, นระดับประโพธิสัตว์ไปกวหกหลกลวงคนหรือว่าตกเป็นทาสของสิ่งสิทธิ์ก็แสดงว่าศีลบารมีของท่านมันมีความขึ้นคนทีนี้พระอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งในท่านรู้สึกมันรุงรังมันเหมือนกันนอนอยู่ปานน่าหนามท่านบอกว่าเหมือนกับใบบอนที่อยู่ท่ามกลางน้นา ลมพัดมาก็แกว่งน้ำก็เฉียวอะไรๆปากปางหน่อยบาง้ลก็ทำรู้สึกว่ามันทุ่งยากมันไม่มีสระ ก, ก็คิดจะสึกคิดมากจนเขาเรียกว่าพิพันธ์เศร้าหมองเพื่อนก็มาสอบถามทราบความแล้วก็ชวนไปพบหลวงปู่ไเจ้ากราบทูลในสงสับพระเจ้าก็ทรงรู้ด้วยพยานนะปัญหาสำคัญมาเป็นเรื่องความรู้สึกเฉย ในความรู้สึกเฉยๆก็รับสั่งว่าเป็นไงรู้สึกมันมากไปเลยตันบอกมันมากได้เกินพระเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นรักษาสักอย่างไหวไหมตันก็บอกว่าได้แค่อย่างเดียวก็ตกลงว่าเธอเนี่ยแค่ๆกับพิเศษนะฮะก็บอกว่าต่อไปไม่ต้องรักษาหรอกให้รักษาที่จิตอย่างเดียวนะอย่าคิดออกข้างนอกก็ไล้กันอย่างอื่นไม่ต้องรักษาหรอก ท่านรู้สึกเบาท่านรู้สึกน้อยและในที่สุดท่านก็รักษาได้ดีแล้วก็มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านปณสีลจึงเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในความเป็นศีลถ้าเราดูให้ดีนะดูที่จิตนะพี่ช่ยดูที่อืึดจะเห็นว่ามันมีอาการสมาธิอ่อนๆอยู่มีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมีสมาธิอยู่อย่าระบหนึ่งมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่ง ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตเป็นพัฒนาการเป็นพัฒนาการที่แนวสารวมระวังท่านพูดเลยไปจนถึงรถเวทยาพโนทุจริตสาประการก็อย่างที่บอกเอาไว้ว่าปริยายเรื่องศีดนั้นมันมีนัยยะต่างๆก็เลยมีนัยยะเป็นอนเนกก็เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแล้วก็คือมาเองมองว่ามันคําสอนประเภทที่ เรียกเป็นพาเวตประธรรมนะครคือกลุ่มของมรรสต์เนี่ยแล้วก็มีอยู่ในบารมีหมดแล้วแล้วถ้าเราจับมาสงเคราะห์ดูนะก็จะสงเคราะห์ลงได้ในเชิงที่เป็นองค์ธรรมแต่ถ้าพอปฏิบัติแล้วเนี่ยผสมผงขึนไปหมดเลยหมายความว่าทำหน้าที่เป็นอริยมรรสเมื่อทำหน้าที่เป็นอริยมรรสมันก็ขจัดสมุทยัย แล้วก็สร้างนิโรธแล้วก็ดับทุกก็เป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นศีลจึงเขาเรียกว่าเป็นเวนจะเวนเป็นเบนจเวนอวิรัตคืองดเว้นจากเวนจากภัยจากอันตรายทั้งหลายบางครัง้งทรงแสดงให้เห็นเป็นรูปธป ร, รรมคิดใต้คนคิดแบบรูปธ ร, รรมศีลังบาลังอปติบังศีลเป็นกำลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ศีลางอาวุธธรมุตระมังศีลเป็นอาวุธอันยอดเยี่ยมคือฆ่าความชั่วได้แล้วก็ทําลายศัตรูได้คือไม่มีใครทําลายเราเนะ่ยก็หมายความป้องกันศัตรจจูได้ศีลังอภ า, ารณังเศธังศีลเป็นอภรเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐเป็นการประดับที่กายที่วาจา ให้เราสังเกตว่าความงามเป็นค่านิยมในสังคมเราเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยเราโดยสรุปนะฮะความงามจากการประดับประดาตกแต่งก็เรียกแฟชั่นร่วมสมัยทั้งหลายเอานิยายอะไรไม่ค่อยได้อนะอย่างดูเด็กๆแต่งตัวเวลานี้แล้วก็ก็นึกได้อย่างเดียวฮะดีที่เราไม่มีลูกแต่นั้นเด็กก็ไม่วจะว่ายังไงก็เถอะก็ต้องปล่อยเข้าไปมันเป็นกระแสสังคมไปแล้ว แล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองทีนี้ความงามอีกระดับหนึ่งก็คือสวดสงสันฐานรูปร่างหน้าตานะของบุคคลที่ในพระวาลีแสดงว่าสุวรรณตาคือมีพิพันธ์สวยงามสุสัสราตาคือมีเสียงไพเราะสุสันทานางค์คือสุสวดส่งมันสมส่วนมันเหมาะสมสุรุปตารูปงามพวกนี้ก็เป็นค่านิยมอย่างหนึ่ง เป็นความสวยงามระดับหน่งแล้วก็แล้วแต่ใครจะพอใจมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานเพราะ น, นโดยจริงๆความงามที่เป็นสากลไม่มีในโลกความงามไม่เป็นเพียงมายาเพราะรูปสวยก็ดีเสียงไปร้อ ก, ก็ดีกลิ่นหอมก็ดีรสอร่อยก็ดีสัมผัสไม่น่าจับต้องก็ดีหรือสัมผัสน่าจะต้องก็ดีหรือตรงกันข้ามคือรูปไม่สวยเสียงไม่พอรอ้องกลิ่นไม่หอมรสแม่รอ่อยสัมผัสไม่น่าจะต้องที่จริงมันเป็นมายาเป็ลนลักษณะทางอารมณ์เป็นเรื่องที่เรากําหนดเอา เรากำหนดด้วยความรักมันก็ส й, วยเรากำหนดด้วยความชังมันก็ไม่สวยไม่ไพเราะไม่หอมไม่อร่อยไม่น่าจับต้องคือจิตไปกำหนดตัวเองเขาเรียกปรุงคิดคิดปรุง ข, ขึ้นมาเองแล้วก็สร้างปัญหาแก่ตัวเองเคยนึกถึงนิทานเน ร, รื่องสีตะนนทชัยนะที่ว่าคนคิดวงเข้ามาแล้วก็บอกว่าออกไม่ได้นะคือคิดวงขึ้นมาโดยตัวเองแล้วก็บอกว่าออกไม่ได้เอง มันก็เหมือนเรื่องมันเรื่องเนี่ยคืออย่างในกรณีที่มีปัญหาเรื่องกฎหมาย ต, ต่างๆเนี่ยเรามาว่เออมันก็แปลกดีนะมนุษย์กฎหมายมนุษย์มันก็สร้างขึ้นเน่ปนัญหามีอุปรสรรคก็แก้มันเราสร้างได้เราก็แก้ได้เรื่องแปลกอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการมองการคิดแล้วก็เกิดเครียดเพราะแนวสีนเนี่ยมันเป็นการแนวที่โปรง่ง ถ้าเราจับหลักเขาได้จริงๆนะฮะมันจะเป็นแนวที่โปรง่งเพร อ, อะไรเพราะว่าเมื่อปฏิบัติโดยอัตโนมัติแล้วการเคลื่อนไหวมันก็เป็นอัตโนมัติมันเป็นศีลไปโดยโดยปกติเพราะฉะนั้นาท่านจะว่าปกติไงศีลศีลจริงๆเนี่ยศีลปกติเป็นปกติภาวะปกติภาพเนี่ยภาวะปกติของมนุษย์ก็คืออะไรอ่ เพราะว่าปกติองค์กของมนุษย์เราจะไม่มีอะไรเลยลองดูกันลกันว่าในตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรพร้อมจะฆ่าคนอื่นได้เราไม่มีพิษเราไม่มีเขาเราไม่มีเขี้ยวเราไม่มีงวงเราไม่มีงาเราไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีเล็บแหลมๆที่จะสังหารขวายทงกันข้ามเนี่ยเราไม่ได้สร้างมาธรรมชาติได้สร้างมาธรรมชาติสร้างจิตของมนุษย์มาให้คิด ให้คิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบแล้วบางทีเนี่ยความคิดเหล่านี้แม้แต่เด็กเด็กเล็กๆ ก, ก, ก็คิดเป็นถูงเหมือนจะเคยเล่านะที่ว่าพ่อกับลูกเดินไปด้วยกันลูกยกปืนไม่ใช่พ่อยกปืนขึ้จะยิงนกลูกสกิจถามลูกสามสี่ขวบเลยสกิจถามพ่อพ่อทำอะไรจะยิงนกเอายิงพ่อมันตายแล้วลูกมันจะอยู่กับใคร เหมือนกับพ่อตายเนี่ยผมจะอยู่กับใครเห็นไหมระดับเนี้ยระดับศีลเนี่ยมันก็คิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ว่าเมื่อมันเป็นโลกเป็นสังคมมันก็คิดอย่างนั้นแหละคิดในะความงามกําหนดกันอย่างนั้นก็แล้วแต่ใครกําหนดประการต่อไปเนี่ยมันเป็นความงามระดับศีลกิริยามัญญาอ่อนน้อมเรียบร้อยสวยงามไม่คืออย่างน้อยเนี่ย มันมันมันจะเรียบร้อยเป็นภาพภาพหนึงผมไม่ได้นะแต่หมายความว่าไม่มีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาแก่ตนเองเนยแก่บุคคลอื่นหรือไม่ทำตนเด็กให้เดือดร้อนไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนก็เป็นความงามเป็นความงามที่คนอื่นสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูนะด้วยใจคือมารองเห็นด้วยตาแล้วก็ได้ยินด้วยหูสัมผัส ด, ด้วยใจ แต่ภาพของสีเนี่ยมันเป็นภาพที่โอกาย จ, จะเป็นมายาก็มีได้นะมันไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้เพออราะเลยพระภาพของศีเป็นภาพปกติภาพปกติถ้ามันเกินปกติไปนหน่อยเนี่ยมันชักจะมากไปมันก็อาจจะเป็นเจ้าเล่ห์มายาโอ้อวดเสแซงทั้งหลายเนี่ยบ้งก่อนมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นระดับในพลเอกเป็นผู้เท่าแล้วนะแปดสิบกว่า ก็ฟังรายการวิทยุเนี่ยอาจานก์มหาธิกุติต้องกาเล่าถึงท่านไปที่วัดแห่งหนึ่งมันประทับใจว่าฉันข้าวก็เรียบร้อยนั่งก็เรียบร้อยอะไรก็เรียบร้อยหมดก็คือสถาเรื่อมใสแต่ว่าในการตอบมหาประสังเกตข้าวมันไม่ใช่อ่ะเมืันเป็นมายาคือภาพตัวนี้มันมีมายามันเสียแซงมันโอ้อวดมันแข็งดี คนก็เกิดความสับสนในประเด็นตรงนี้เหมือนกันด้านศีลือเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนคือการตัดสินคนอื่นเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันนะครทูเจ้าจึงทรงแสดงไว้โดยบทสรุปว่าความเป็นผู้มีศีลจะรู้ได้โดยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆจึงจะรู้ในขณะที่อยู่ร่วมกันนั้นจะต้องสังเกตพินิจพิจารณาตรวจสอบเทียบเคียงจึงจะรู้ถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่รู้ เพราะฉะนั้นไ อ, ไ, อไอ้กิริยาของความเป็นผู้มีสีมันจึงมีปัญหาในแง่ที่ว่าจริงหรือเปล่าล่ะเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าอย่างที่ท่านเล่าถึงระบทต้นหนึ่งเนี่ยโยมอุปถากเนี่ยเอาเงินโดยฝากท่านไว้โดยขุดหลุมฝังไว้ใต้าอาสมท่าน ก็เชื่อในความบริสุทธิ์ของท่านแล้วก็ดาบดก็ไปรับอาหารที่บ้านของกังโย่เนี่ยไอ้ตอนเงินน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่พอตอนเงินมากขึ้นมาเนี่ยดาบดชักโลภแล้วก็อยากได้อยากได้ก็อวดเคร่งขึ้นเคร่งขึ้นเคร่งขึ้นจนชักจะเวิร์กมากไปไหนมาวันหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านอยู่ด้วยน ะ, ะก็เห็นว่า รับบทเดินมาที่บ้านของโยมประธานเนี่ยก็ถามอ้าวพระคุณเจ้ารับอาหารแล้วมีธุระอะไรจึงกลับมาบอกว่าในขณะที่มาเดินลอดหลังคาบ้านโยมเนี่ยตึกแฝดที่มุมหลังคาบ้านเนี่ยมันติดชดาอัตมาไปกลัวจะเป็นอาทิตนาทานเลยต้องเอามอยคืนโอ้ยโยมในอุปถากก็หลงไหลเลยยอกันใหญ่สันเซินกันใหญ่ แต่พระโพธิสัตว์ท่านเห็นว่ามันมันไม่ปกติมันเวอร์ไปก็เลยก็บอกว่าอาการที่ดาบดแสดงออกนั้นมันมากเกินไปคือประเภทอะไรประเภทเ็าเรียกว่าหยียบมดไม่ตายหยียบปายขาหักกันคือบางทีมันเป็นเสียแ้งเป็นมายาเป็นโ อ, โอ้อวด อย่างบางทีเราเจอเดินพระเดินบินตบาทไอ้แหมเรียบร้อยยังกระเดินจงกรมในลานจงกรมมันเป็นไปไม่ได้เลยนะมนุษย์ก็คือเดินแบบคนนั่นแหละแต่ก็สํารวมระวังตามเหมาะตามควรมันไม่ใช่ทอดสายตาชั่วแอกอย่างที่พูดถืนทอดสายตาชั่วแอกรถก็ชนตายหมดแหละไม่ต้องอยู่ล่ะก็เดินโดยปกตินั่นแหละ แต่ว่าอยมองเลือกลักมองซ้ายมองขวาอะไรมากแต่โดยจะพาะอย่างนี้คือมองหน้ายโยมก็มองไปที่บ้านของโยมเนี่ยแล้วก็เดินไปตามปกติของเราก็ซีนอยู่แบบปกติแต่นี้วิธีการขนดาบทมันไม่ปกติพระบริสัทก็ถามว่าคุณมีอะไรไปเกี่ยวข้องกับท่านมั้งไหมแล้วก็อบอกว่าในเงินทอ ง, ของเขาข้าพเจ้าเนี่ยเป็ฝากข้าพเ ท, ทํบาบทประโวยไม่ได้แล้วคุณต้องไปแล้ว ดาวบทนี้ไม่สุจริตครับมันสุจริตมากเกินไปนะจนไม่สุจริตเสร็จแล้วก็สองคนก็ชวนกันไปดูดาวบทกำลังขุดที่ฝังทรัพย์จุกำลังเตรียมจะหนีแล้วก็จับได้ตอนเรื่องของศีลถ้าเรามองคนอื่นแล้วเนี่ยอย่าตัดสินเอาประเดี๋ยวประดาแล้วเวรนี้มันมีหน้ามาเยอะเหลือเกิน เราเห็นว่าพระที่เด่นดังขึ้นมาเนี่ยมีไม่น้อยเลยเนะแม้แต่คนที่เด่นดังอะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากลูกศิษย์เนี่ยเป็นแนวหน้าที่ไปโปรโมทอาจารย์ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นหลายปีมาแล้วธรรมาเคยไปก็เรียกวกิจกรรมระดมธรรมที่สวนหลุมแล้วก็ขอนิ ม, มนต์ไปไปที่จริงก็ตอนนั้นสมเด็จยังไม่เป็นทางการะลาก็ท้างไปชวนไป กนนิมนต์ท่านไปกล่าวธรรมกถาอาจาก็กล่าวหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้ใหมาพูดแทนแต่เราก่อนจะนั่ง น, นั่นเรานั่งสังเกตดูพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึง่งมันได้บอกเป็นสามกลุ่มอาจารย์ก็อยู่ในที่ลึกเข้าไปมีพวกแนวลูกศิษย์ที่เป็นชาวบ้านเนี่ย ครับประกบกลัวคนที่เข้ามานะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อาจารย์ตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างโน้นเสร็จแล้วก็มีลูกสิบที่เป็นผู้หญิงเป็นแต่งตัวเป็นแม่ชีเข้าประกบต่อแบบล้างสมองกันเลยนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นรูปของพวกพระเนี่ยฮะเข้ามารักบวชของเขาอ่ะเข้ามาก็โปรโมทกันไปเรื่อยๆเนยะล้างสมองกันไปเพลิ่มๆนะเห็นเป็นเทพเจ้าไปเลย มันขาดความคิดที่เป็นของตัวเองมันความคิดที่ถูกคนอื่นเขา อ, าอาัดให้อัดฉีดไว้ให้เลยแล้วก็ตัดสินไปตามที่คนอื่นเขาเขาบอกกล่าวให้เรื่องใสตามที่คนอื่นบอกเขายมใส่ไหวตามที่คนอื่นบอกให้ใไห ว, น, น, น, ไ ว, ไวนะมันก็กลายเป็นหุ่นเป็นหุ่นกระบอกที่ถูกชักไอ้นี่คือเป็นปนัญหาที่น่ากลัวการมองศีลอย่าลืมเราไม่ได้มองที่คนอื่นนะเรามองที่ตัวเรา และคนอื่นก็จะต้องมองที่ตัวเองส่วนจะไปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสารรค์อะไรเนี่ยก็ต้องสังเกตตรวจสอบพินิจพิจารณาทุกเรื่องนะฮะถ้าคนอื่นเนี่ยต้องตรวจสอบไม่ใช่ว่าไปเชื่อไปเชื่อคําโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะของพวกลูกศิษย์เนี่ยเวลานี้ก็แนวอะไรละ่ะแนวอาจารยาวา์วิยาศาสตรนสูงคือแนวเชื่อชูยกย่องอาจารย์สูงสูงจนน่าเกลียด ยังเคยไปในที่หนึ่งไปวันเกิดของอาจารย์ดังท่านหนึ่งตอนนั้นเจ้าคุณพรมวณีที่วัดเนี่ยท่านเดียว้วยไปด้วยนะครับโอมโฆษณาอาจารย์สิบยดย้อยเลยเหมือนพระอระหันเลยเจ้าคุณพรมท่านนั่งอยู่ด้วยท่านเรียกมาให้ไปหยุดกรารโฆษณาเพราะมันมากไปคือเราฟังแล้วเนี่ยก็ขนลุกเลยนะเออเ อ, อ, อาจารย์ก็ปล่อยลูกศิษย์โปรโมทอยู่ได้ ู้สิตมันก็ไม่มีความกระดากปากบางนีก็กลายเป็นนักบุญคนบาปเพศีลจึงเป็นเรื่องสำรวมเฉพาะตัวเรางดเว้นเฉพาะตัวเราสมาทานก็เฉพาะตัวเราแล้วเราก็เป็นรับผิดชอบในการที่ในการที่จะสำรวมระวังในการที่จะงดเว้นในการที่จะไม่ร่วงละเมิดในการที่จะควบคุมอาการกายวาจาของตัวเอง ไม่ให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยแก่บุคคลอื่นก็แสดงว่าเป็นจิตสำนึกที่พัฒนาการตัวเองถ้ามีความสงบ ป, ประณีตเยือกเย็นเรียกยว่ากายไม่กำเริบวาจาไม่กำเริบไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาเป็นไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นความงามระดับศีลจะต้องสังเกตนะต้องสังเกตนะความงามอีกระดับหนึ่งเป็นงามระดับคุณธรรมหมายความว่า คุณธรรมมันเป็นฐานจิตเป็นเรือนจิตเลยธรรมะที่ทําให้งามกว่าเยอะนะฮะแม้แต่พวกเนี้ยพวกธรรมะฝ่ายที่พัฒนาไปจากศีลสีข้อเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะที่ทำํำเรียกกัลยาณธรรมคือธรรมะที่ทําคนได้งามหรือธรรมะที่งามสร้างความงดงามขึ้นมาหมายความว่าชีวิตของคนถ้าหากว่ามีเมตตาต่อตอนเองต่อคนอื่นขยายไปเรื่อยๆเลี้ยงชีพไปสมาชีพมีความสมบรวมระวังในเรื่องเพศ แต่เป็นสามีก็ยินดีเฉพาะปัญญาตัวเองเป็นพัญญาก็พักดีต่อสามีแล้วก็พูดคําสัต์คําจริงมีสติสำรวจระวังเมื่อก็กลายเป็นคนที่งามไปแล้วมันก็แสดงว่าความงามเหล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราสองประการแรกนะ่ะมันไม่เท่าไหร่ก็เสือ่อมแต่ว่าสองประการหลังนี่เป็นสมบัติติดจิตวิญญาณเลยเป็นพัฒนาการทางจิตวิญญาณติเดีท่านจะเรียกว่าเป็นบา ร, รมีเขาฟังเท่าไหร่ แต่ราประพฤติยาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นครนั้นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกรรมไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี